ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประโพธิญาณกำลังประลบเรื่องที่บาลีใช้คำว่าจักขูกแกนีก็แปลว่าทําดวงตาให้เกิดขึ้นแล้วก็นำเสนอจักขู่ห้าประการของพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าจะสูเหล่านี้เป็นผลมาจากการศัสรู ข, ของพระองค์สี่ประการนะคะ ส่วนมังสาจากสูที่มีสมรรถภาพสูงแล้วก็มีความแจม่มใสมีความสง่างามแล้วก็มีตาบดเดชานี่มันเกิดจากบารมีธรรมเราแสดงว่าผลทั้งหลายนั่นเกิดมาจากเหตุส่นจากสูเหล่านี้เป็นเห ต, เหตุแล้วก็เป็นผลเป็นอาการที่ปรากฏอยู่ตลอดไปภายในพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้า มันเป็นหลักอย่างหนึ่งที่สามารถโดยเสด็จได้ระดับหนึ่งเนี่ยคือในด้านของจักษุประาสาทธรรมดาหรือมังสาจักษุก็ดูแลรักษาธนุธนอมหมันตัวตาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพร้อมที่จะบริจาคอย่างน้อยเนี่ยบริจาคเลือดไปจากอะไร แก่คนแก่องค์กรกุศลต่างๆหรือบางคราวสามารถที่จะบริจาคชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายได้ก็ตั้งใจอุทิศบริจาคให้เพรนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นกรรมชรูปที่จะไปตกแต่งส่งนั้นและส่วนตรงนั้น น, นั้นมีความประณีตมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามมีคุณภาพ ทีนี้ในปัญญาจักสูนี่คือทํำยังไงว่าในยุคสมัยปัจจุบันในยุคสมัยปัจจุบันนี่ว่าเราวิจารวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารกันได้ขนาดไหนเพราะปัญญานั้นจะต้องเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยสุตตะคือสิ่งที่เรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสพระเจ้านั้นทรงรู้เห็น ตามความเป็นจริงชัดเจนแจมแจ้งทันทีทันใดเลยแต่เราก็คงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ทำยังไงว่าโดยเฉพาะอ ย, าอย่างยิ่งคือการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเมือวันก่อนเบลโรมนักเรียนที่นครราชสีมาเป็นเด็กมัธยมปีที่สี่ของเด็กทางแผวโชคชัยนะก็ ทดสอบเธอดูนะคทดสอบเธอดูลองเล่าเรื่องให้ฟังจะให้เธอลองตอบดูซิว่าทั้งนี้จริงหรือไม่จริงก็มีเรื่องหนึ่งเป็นข่าวสืบพิมพ์ที่จริงหลายปีมาแล้วนะก็หนังสือพิมพ์ก็รายงานว่าคือว่ามีการฆ่าผู้หญิงฆ่าข่มขืนแต่วันนั้นก็ไม่เล่าถึงเรื่องข่มคืนเนาะเล่าแต่เรื่องฆ่าเฉยๆก็ ผู้หญิงตายที่เชิงสะพานลอยแถวลาดพร้าวหนังสือพิมพ์รายงานว่าผู้หญิงนี่ก็ออกจะทำงานตอนสามทุ่มมีผู้ชายซุ่มรออยู่สามคนพอผู้หญิงเดินก็รีบเดินตามผู้หญิงเห็นผิดสังเกตก็รีบจ้ำเดินเร็วผู้ชายก็จ้ำตามผู้หญิงเห็นถ้าไม่ดีเดีววิ่งผู้ชายเลยวิ่งตามแล้วก็ไปทันกันที่ใต้สะพานลอย แล้วก็มีการปลุกปั่นกันสู้หญิงก็ขัดขืนหน้าไหนสุดก็ถูกคาดไดถามนักเรียนว่าสมเหตุสมผลไหมอย่างนี้มันน่าเชื่อไหมนักเรีนเชื่อบทนบอกว่าถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะคือนักขาวมสูรู้มากไปหน่อยมาความว่าถ้าสามารถจริงๆริเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆรนะนักขาวต้องเห็นเหตุการณ์ตลอด แต่ว่าทําไมไม่ช่วยล่ะทําไมไม่แจ้งความล่ะกวแสดงมีส่วนสมรู้ร่วมคิดด้วยว่านข้อความเหล่านี้มันมีเขียนแบบนิยายเฉยๆเป็นนิยายน้าเน่าด้วยนะฮะแต่ว่าคนชอบอย่างนั้นแล้วเคยถามคนเขียนก็ไอ้นักข่าวนะนักข่าวก็มาที่กุฏิเราก็ยกตัวอย่างนี้ก็ดูตอนนี้ข้อความตัวนี้ยที่จริงเท็จ ถ้าไม่เทศก็ต้องเอาเธอติดคุกด้วยแล้วก็สืบหาอีกสามคนไปจากเธอเนี่ยเพราะเธอเห็นตลอดเนี่ยเห็นตั้งแต่ผู้ชายไปซุ่มอยู่เห็นผู้หญิงออกมาเห็นก็าไล่ตามเดินจ้าเดินวิ่งปุกล้ามอะไรแต่เเห็นตลอดเนี่ยเขียนได้เป็นตัวเป็นตาก็เลยบอกว่าข้อความเหล่านี้ถ้าเราไม่คิดแต้ดีเนี่ยมันก็สมเหตุสมผล แล้วก็ถามยกก็ตัวอย่างกันใหม่ข้อหนึ่งบอกว่าสมมุติจะมีคนมาโจทย์วพระกอณนี่อยู่กับผู้หญิงสองต่อสองก็ถ่ายวีดีโอไหมดูเลยถ่ายรูปไหมดูเลยถามว่าเชื่อได้ไหมว่ามีรูปพระกับผู้หญิงอยู่สองคนเห็นจริงๆเลยวีดีโอภาพถ่ายนี่มีทั้งหมดเลยอยู่สองคนจริงไหมก็แปลกนะเด็กเชื่ออีกก็อยู่สองคนจริง าถามเธอว่าบอกว่าแล้วคนถ่ายละ่ะก็ถ่ายได้ยังไงก็แสดงจริงจริงมันมีอย่างน้อยสามคนมันไม่ไดอยู่สองคนมันมีผู้ชายที่ถ่ายรูปนะก็เห็นจริงถ่ายมาได้แต่ก็ไม่เห็นจะถ่ายได้งไงมันคือแสดงให้เห็นว่าสื่ออย่างเนี้ยเราบริปโภคสื่อโดยขาดการกั่นกรองขาดการพินิจพิจารณาแล้วง่ายเกินไป พอตั้งคำถามขึ้นมาเด็กก็ฮาทันทีเลยแกก็งงไงเสร็จแล้วแกก็เห็นด้วยนี่คือคือเราไม่ค่อยฉุกคิดไม่ค่อยจะเฉลียวคิดแล้วมีเยอะเลยนะ ส, สื่อสารในรศัสนาเ น, นี่ยเพรายุคสมัยสื่อสารโทรคมนาคมโลกาพิวัติเนี่ยปัญหาการวิทยาชัข้อมูลข่าวสารนี่จะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยพูดดีใส่ตัวพูดชั่วใส่คนอื่นเวลาพูดถึงคนอื่นเนี่ย โอกาสที่ผู้ดีนี่มีน้อยเขาเรียกว่าโดยธรรมดามนุษย์คนพานเนี่ยจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะบัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตนเองเป็นลักษณะนี่คือเอกลักษณ์เขาเลยเพราะเราจะเห็นว่าการยกย่องคนเนี่ยคนเขาไม่ชอบฟังหรอกสมบูรณ์มีหนังสือพิมพ์อะไรเขียนยกย่องอย่างงานที่เราทําสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนี่ย แต่เทศการมีสาขาในแต่ละปีเรามีหนังสือที่เกี่ยวกับประกาศเกียรติคุณของผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อศาสนาเนี่ยเป็นปีหนึ่งเป็นร้อยสองร้อยนะฮะเล่มบรรลมลงทุนไปหลายแสนไม่มีคนอ่านน ะ, ะเพราะอะไรเพราะพูดเรื่องความดีของคนอื่นต่างตเลยไม่มันมันต้องพูดเรื่องความชั่วนะฮะ พูร่องความเชื่อพูดปัญหาข่าวคราวที่อาจจะกรรมตั้งหลายการเมืองต่อสู้กันคนนั้นดา่าคนนั้นว่าอย่างนั้นในในน้ำมันร้อนข่าวในแนวเนี้ยบางทีเนี่ยเราจะขาดการวิเคราะห์เห็นไหมตัวอย่างเนี่ยมันสนิทแนบเนียนนะข่าวตรงเนี้ยถ้าห า, ากว่าเราไม่คิดแล้วก็ค้ายๆจะจริงอะ่ะแต่ถ้าเราคิดมันไม่จริงทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นทำยังไงว่าปัญญาเนี่ยผ่านระบบการพัฒนา อย่างโครงสร้างการพัฒนาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเหมือนกับตุกแข่งนะที่น่าเสียดายอย่างยิ่งก็คือการศึกษาของคณะสงฆ์เราเนี่ยยังเดินไปไม่ถึงนะฮะเลยน่าเจ็บใจจะการศึกษายังไงเลี่ยไปแค่สามขั้นนั่นเองพระเจ้าวางไว้ห้าขั้นเรียกภูสูตรหรือภูสัจจะคือเรียนรู้ทางประาทสัมผัสเนี่ยมาก แล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยพระเราก็หลงประเด็นสอนกันจงไม่ดูไม่เห็นอะไรเลยไม่ให้ดูอะไรเลยคือเขาห้ามดูในกรณีที่เกิดกิเลสเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาไม่ยอมรับรู้อะไรเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมันก็เพราะการดูนั่นแหละแต่ดูแล้วคิดอย่างไงนะั่นคือเรื่องใหญ่เราสอนจนว่าพระดูอะไรไม่ได้เลย แม้แต่อ่านหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้อ่านหนังสืออะไรก็ไม่ได้ต้องอ่านหนังสือพระอย่างเดียวแล้วไปพูดพูดจากับชาวบ้านรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ได้คิดอะไรสอนเพียงแต่ว่าสํารวมระวังเอินซีอย่าให้เกิดความยินดียินได้ถ้าเกิดอย่างอื่นนะเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดเหตุผลขึ้นมาเกิดเมตตาเนี่ดูได้นะี่ก็ดูได้เพราะฉะนั้นก็คือเกิดธรรมะ ตอนในภาคปฏิบัติจริงๆพระสนามจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงว่าดูอะไรจะดูและคิดยังไงเนี่ยคือเรื่องใหญ่แต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ระดับวิปัสสนาเท่านั้นเองระดับสมถะนั้นแน่นอนอะคืออะไรเป็นอะไรไปก่อนแต่ว่าความคิดยังไงเนี่ยพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคยฟังเพลงมรรลุมรรผลเป็นประธานเลยมื่ออยู่ที่ท่านคิดยังไงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ มันไม่ได้ดูที่สิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นหลักว่าท่านคิดยังไงล่ะมันก็ฝึกความคิดอะระวังจิตย้ายกำนัดย้ายขัดเคืองย้ายรุ่มโรงย้ายมัวเมามันก็ได้ประโยชน์อะเพราะปัญญาเนี่ยมันต้องผ่านขั้นหนึ่งก็คือการเรียนรู้ทรรมประสาทสัมผัสแล้วก็ทรงจำเรื่องราวต่างๆเอาไว้กฎเกณฑ์สำคัญหลักการต่า ง, างๆเนี่ย องค์ธรรมได้ยกมาอ้างมาอิงอะไรแต่ไรเรื่องอะไรก็ตามไลนะฮะต้องมีที่ไปที่มามีหลักนิฐานแล้วก็หลักการํางานน้าขันเนี่ยต้องท่องต้องแม่นในเรื่นี้บางครั้งมาล่าวเราอ้างสมมติว่าพูะเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นมันต้องแสดงจริงนะแต่เราไม่มั่นใจเราก็พูดแค่พุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาสุภาษิต นีว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสมมติว่าเนี้โลกโกประถานิกาเมตตาเนี่ยเราคุ้นๆกันเนี่ยนี่ไม่ต่างสาธุรูปรารังกาตันอยู่กตเวทาเราคุ้นๆแต่ไม่ใช่เราพุทธเจ้าทรงแสดงเนื้อหานะใช่นะเนื้อหาเนี่ยตรงแต่ว่าคนพูดนี่ไม่ใช่สมเด็จพระหมหา ส, สมณเจ้ากรมยัญญาวิชญามุโรรถ น, นแสดงเอาไว้แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะในาศาสนานั้นเพราะเราเรียกพุทธภาษิตไม่ได้เรียกว่าพุทธศาสาศนาสุภาษิต หรือสุภาษิตในพระพุทธศาสนานั้นได้จะถือว่าพุเจ้าตัดเองนี่ไม่ได้แม้จะเป็นหลักธรรมก็ตามก็นี่ก็คือคือคือเราก็ต้องแม่นนะ่ะต้องจำและสำคัญอย่างยิ่งก็คือนำมาคิดมานำมาคร้ครวดโดยเหตุด้วยผลถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ การฆ่บบามังกมันมีการมอมเมาให้หลงมีการยั่วอยากมีการขู่ให้กลัวอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะว่าในปัจจุบันเนี่ยม่จะเยอะมากขูให้กลัวกับยั่วยากเนี่ยจะเยอะเลยบางทีขู่ให้กลัวไม่ได้นะทําอย่างนี้ตกนรกนะนะเช่นเช่นสมมุติว่าคนปลอมบวชมาแล้วก็ไปเรียร์ไรแล้วก็มีคนต่อตา้านเอานรกมาขู่ก็อีกไอ้ตัวเองจะลงนรกรอยู่แล้วเนี่ยนี่คืออะไรคือว่า เราต้องวิเคราะห์เราต้องมีการตรวจสอบเรียวกว่าเพ่งพินิษ์พิจารณาด้วยใจแม้ได้ยินได้ฟังอะไรแต่ไรไปแล้วเนี่ยคือมาเป็นห่วงวันก่อนเขาไปพิปลายที่สวนสุนันในงานที่เกี่ยวกับอะไรสันติภาพของทุกุณธรรมิดกเนี่ยีรยวพูดเรื่องการเผยแผ่ของคณะสงฆ์บอกว่าที่น่าห่วงที่สุดก็คือมันมีความเป็นอาจาริยวาสในสูง พูดอ้างแต่คุณนั่นว่าอย่งงายงงั้นท่านมันว่าอย่างงั้นท่านนี้ว่าอย่างเงี้ยมันบางทีเนี่ยไม่มีพระพุทธภาษิ pues. ตัวเลยไปอ้างใครมาไม่รู้ทําไมอ้างพระพุทธเจ้าหน่อยไม่ได้เหรอมันศาสนาของพระพุทธเจ้านะเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาของครูบาอาจารย์เหล่านั้นแม้ครูบาอาจารย์เหล่านั้นจะพูดก็จริงละ่ะแต่ว่าที่จริงท่านก็อ้างพระพุทธเจ้ามาท่านก็เอาของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ต้อง ถวายเป็นของพระพุทธเจ้ามันมีน้ำหนักแล้วก็พระเราก็ให้ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อพ ร, รัตนาใจปฏิบัติภา ร, รกิจในสุจริตจะทําให้เป็นทุจริตนี่ก็ปัญญาที่สอนไปแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งคือเข้าใจเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่าพูดพูดเฉพาะเรื่องที่เราเข้าใจเข้าใจได้เท่าไรก็พูดเท่านั้นคือไม่จําเป็นที่เราจะต้องรู้อะไรไปทั้งหมดนะ เพราะเรื่องบางเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยอย่างอย่างไปอบรมเด็กเนี่ยบางทีแกถามว่าเพื่อนบางคนพอนั่งสมาชิแล้วร้องไห้บ้างหกล้มบ้างปวดหัวบ้างอะไรเลคือเราบอกตรงๆไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าคนร้องไห้ในี่กลัวก็ร้องไห้นะกลัวก็ร้องไห้บางทีเนี่ย เ, ย เ, ยเยสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้ตกใจก็ร้องไห้แล้วไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไระ เพราะาการร้องไห้นั้นถ้าให้ชัดเจนต้องถามผู้ร้องไห้เองเพราะเราไม่มียานอย่างรู้ขนาดนั้นหรอกเราตอบไปยืนดันอะไรไม่ได้ทีนี้ในด้านของที่ระจากสุเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเชื่อมั่นในกฎของกรรมเราใช้ศรัทธานำเราไม่สามารถจะพัฒนาปัญญาได้หรอก แต่เราใช้สถานนามข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้อย่างเงี้ยจําแนกเรื่องกฎของกรรมไว้ละเอียดพิสดารมากและกรรมก็คือการกระทำน่ะชีวิตมนุษย์มันก็อยู่บนเส้นทางของการกระทําทําดีทําชั่วทําถูกทําผิดชีวิตของคนเราที่จริงเป็นกระบวนการของกรรมล้วนๆเนะี่ยเพียงแต่ว่าเราเข้าใจกรรมไปในรูปคล้ายๆกับมันดนบันดาลเหมือนคล้ายๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะบุญทํากรรมแต่งอย่างเงี้ยก็แสดงว่าหลงทางแล้วนะบุญทํากรรมแดงเนี่ยบุญก็คือกรรมนะะกรรมก็คือทั้งบุญทั้งบาปอนะ่ะแต่จริงๆกลางๆด้วยแต่ว่ากลางๆเนี่ยมันเขาไม่มาไม่เคยออกมพูดแันด่นั่นเองคือทุกอย่างเนี่ยไทยอุจาระไทยปัสสาวะกินอาหารเป็นกรรมนั้นแหละบาลีท่านเรียกกรรมนั้นกรรมก็คือการกระทําอ่ะ ดังนั้นถ้าเราจับประเด็นได้เราก็เข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเนี่ยคนจะเป็นอะไรเนี่ยเพราะเขาทำเองเชนเราเป็นโจรเนี่ยเขาต้องรักขโมยก่อนนะจึงจะเป็นโจรโจรไม่ใช่ตาแหน่งแต่งตั้งนี่นะเขาต้องรักขโมยต้องพิสูจน์ได้ว่าเขารักขโมยแล้วก็จึงจะเป็นโจรแต่ถ้าเขารักขโมยนีย่เขาเป็นโจรตั้งแต่เริ่มรักเขาเรียกว่าเทยะเจตนา เจตนาพิยรักมันเกิดขึ้นเขาเองรู้สึกว่าเขาเป็นโจรตั้งแต่ยังไม่ได้รักเลยตั้งแต่คิดจะรักเนี่ยมันก็เริ่มบาปแล้วแต่พอกขารักเขาก็เป็นโจนรเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าเขาเป็นโจรเพราะเขาต้องเป็นโจรด้วยกรรมของเขาเองเราไม่ได้ไปยัดเยียดให้ไม่ได้ว่าเขาเราก็รายงานตามความจรงิรงเพราะชาวนาก็เพราะกรรมเป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักศึกษาก็เพราะกรรมเป็นพระก็เพราะกรรมอะเพราะ ก, การกระทาอ่ะ การกระทำก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยทำหน้าที่ชาวนาก็เป็นชาวนาทำหน้าที่เป็นนักบวชก็เป็นนักบวชก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์โดยเหตุดยผลแล้วก็ตัดต้นตออคุศุลกรรมงดเว้นอคุศุลกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเรื่องของปัญญานะทำยังไงว่ามีการจำแนกแบ่งแยก โดยเฉพาะคือท่าทีของชาพุทธต่อคณะสงฆ์เป็นเรื่องเหมือนกับบางทีเนี่ยเหมือนกับไม่รู้อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นรายการบางอย่างรายการดาวหัแก่นทำก็ตองเติมสังเลยโดยเชื่ว่าไม่มีไม่มีสร้างสรรค์เ ล, เลยสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของศาสนาเพราะว่าไปตัดสินด้วยปัจเจกบุคคล โดยไม่ได้นึกว่าคนบางคนเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วในสี่ห้าเนรักษาไม่ได้เลยแล้วพราเาเด็กป .4 มาบวชเนี่ยมันจะให้ทำได้สมบูรณ์ได้ไงมันเป็นเรื่องการฝึกปรือเรื่องการอบรมเรื่องการชี้นำชี้แนะสั่งสอนกันเพราะฉะนั้นปัญญามันก็ต้องมองนะเราบ่มีการตรวจสอบล้วเรียกแยให้ชัดเจนว่ามันเหมือนกับอะไรล่ะ มันเหมือนกับเราตรวจผลไม้เลือกผลไม้เลือกไข่เลือกอะไ ร, ต, ะไรต่างๆนะเรามีการคัดเลือกมันไม่จะดีทั้งหมดแต่ไม่จะเสียทั้งหมดหรือว่าขนาดไม่จะเท่ากันทั้งหมดเราต้องการเลือกอย่างไงอ่ะเราก็เลือกเราเองแต่ไม่เมาโลไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นการเมาโหลหรอก เช่นว่าลูกเขาชั่วไม่ได้หมายัึงพ่อแม่ชั่วพ่อแม่เขาชั่วไม่ได้หมายความว่าลูกต้องชั่วด้วยนั่นก็คือจําแนกตามกรรมอย่าไปใช้วิธีการเหมาโหลวงอย่าง่างกนณ์เจอคนเขาบอกว่านักการเมืองในชั่วทางนั้นนะบอกแหมโยแรงไปคือถ้าเขาชั่วแล้วบ้านเมืองมันก็ปนปี้หมดแล้วล่ะมันกรณมีบ้างแต่ว่าไม่มากหรอก แต่มากบ้านเมืองมันก็ปนปีหมดคนที่มีอุดมการเยอะไปในบ้านนเมืองเนี่ยคื อ, อย่าไปเหมากันอย่างนั้นนั่ปัญญาจำแนกไปตามกรรมเห็นไหมเราก็สามารถโดยเสด็จได้แล้วเราก็ก็ไม่เอาคนมาพูดแต่เอากรรมมาพูดและกรรมมาพูดก็ขีดพวงไว้เฉพาะคนเดี๋ยวไปดึงคนอื่นเข้ามา แนนอ น, นในแง่สังคมเนี่ยมันเป็นสังคมมันเป็นอารมณ์ที่เขาเรียกว่าชั่วถายญาติดีถ่ายญาตินนจริงมันเป็นอารมณ์มันไม่ใช่กรรมทําไมจะต้องเอาคนอื่นมาเสียล่ะเช่นสมมติว่านายกรุ๊กนายขอเนี่ยนายกรไปฆ่าคนตายแล้วทาไมไปบอกเขาว่าพ่อฆาตกรนะคือลูกเขาเป็นฆาตกรนะพ่อไม่ได้เป็นพ่อฆาตกรหรอกพ่อมันเป็นพ่อของคนนะเป็นพ่อของเด็ก แล้วเมื่อลูกไปทําตรงนั้นก็ผิดส่วนลูกเห็นวนะ่ากฎหมายเนี่เขาผิดเฉพาะลูกก็ไม่ได้เอาความผิดของพ่อด้วยแต่เราจะประเด็นตรงนี้เราก็แยกแยะอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้จะเว้นในเรื่องดีควรเว้นประพฤติในเรื่องดีควรประพฤติมันอยู่ในกรอบในต้องในรอยของาศาสน า, สาศนาสนธรรมทางาศาสนาได้สูงขึ้นทีนี้ในส่วนของ ปัญญาจากสูบประเภทเอาระดับเนี่ยระดับเหตุผลเนี่ยเพราะปัญญาจากสู่ก็คือจรรัตตสุวเดชสีนะเราจว่าทํำยังไงว่าเข้าใจในกระบวนการของเหตุผลอะไรเป็นผลของอะไรอะไรเป็นเหตุของอะไรในอริยสัจเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆแล้วทุกเนี่ยคือตัวปัญหาแหละสมุทัยก็คือสาเหตุของปัญหานิโรธก็คือความไม่มีปัญหานิโรธมันเป็นเป้าวเฉยๆนิโรธเหมือนก้วอิน กินอาหารแล้วก็อิ่มไม่ต้องทำอะไรก็อิ่มกินๆไปมันอิ่มเองมักมัด ก, ก็คือเหตุที่จะให้เกิดนิโรธแล้วก็เป็นเหตุที่จะดับตัวสมุงไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาโครงสร้างตรงนี้แล้วก็พยายามตรวจสอบวิเคราะห์ตรวจสอบปัญหายกยกตัวอย่างว่าปัญหาคนยากร้เลยแหละเนี้ยก็แน่นอนนะคนในโลกนี้คนจนมากกว่าคนรวย แต่ปัญหาว่ามือไม้ที่เธอเกียดค้านเธอเล่นการพนันเธอติดจริงเสพติดเธอหมกมุ่นแหน่ใบยมุกได้มีไหมมันต้องมองกลับไปที่ดูที่ตัวด้วยเพราะถ้าเราแก้ปัญหากับคนเหล่านี้แล้วแกไม่หยุดตรงโน้นน่นะะมันเหมือนกับตักน้ําใส่ตุ่มทะลุนี่ให้ตายก็ไม่มีทางเต็มมันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าให้คนเหล่านั้นเป็นอภิสิทธิชน ไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรตัวเองเราไปแก้ไขให้หมดเลยอย่างงั้นบ้านเมืองก็กลายเป็นโครนติดล้อเลยล้อติดลมเลยรถเดินไม่ได้ไอันนี้คือคือคือสิ่งที่จะต้องพิจารณาแยกแยะ ก, กันโดยเหตุโดยผลแล้วก็อยู่ร่วมกันโดยเหตุโดยผลมันไม่ใช่คือสังคมเนี่ยมันมักใช่าอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหลักที่ถูกต้องก็คือมาอยู่กันด้วยเหตุผลถูกก็คือถูกผิด ก, ก็คือผิด มันทุกบางอย่างเนี่ยคนหาเรื่องให้ตัวเองเอ้ยามไปช่วยแล้วช่วยอีกเนี่ยมันก็ไม่ไหวหรอกบางคราวบางคราวเนี่ยพระพรหมสีหน้าเนี่ยมันมีเน่าเบียดขาอยู่ด้วยคือบางเรื่องเนี่ยมันต้องปล่อยเป็นไปตามกรรมเอ้ยปราล์มผีลูกปลุกผีนั่งไงอยู่แก้ปัญหาซ้ซําๆซากแ ก, ก, ก้แล้วแก่อีกอยู่เรื่องคนคนเดียวนี่ย มันไม่ได้หรอกเพราะพรมแม่พระพรมยังสี่หน้าเมตตาแก่คนทั่วไปกรุณาแก่คนที่มีปัญหาหมุติตาแก่คนที่หมดปัญหาอุเบกขาในคนที่สุดพิสัยจะเข้าไปแก้ไขทุกฝั่งทั้งหลายแต่ร่วมมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาห น, นึ่งตรงนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญมโหงมไปบุญในธรรมจะมีแตะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี